จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายวันนี้ก็ถึงประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่43ในอันดับที่44ซึ่งเป็นพระมหาเถระที่นับเนื่องในอสิติมหาสาวกคือเป็นสาวกผู้ใหญ่80ลูก ประวัติองค์ที่43นั้นก็คือประวัติของท่านพระพระคุพระคุเทระเจ้าและประวัติองค์ที่44นั้นก็ได้แก่พระกิมพิละเทระเจ้าทั้งสองท่านนี้คือพระพระคุเทระเจ้าและพระกิมพิละเทระเจ้านี้ประวัติของท่านก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรอะไรมากนะักเพราะฉะนั้นก็จะได้บรรยายถึงบัญญัติ ป ร, ประวัติของท่านรวมกันไปทั้งสององค์เลยพระภกุเถระเจ้าผู้นี้เดิมท่านก็ชื่อภคุอุมารเกิดในสากยัติกูลในกรุงกบิลพัฒนมหานครแต่ว่าพระบิดาและพระมารดานั้นมีพระนามว่าอะไรนั้นไม่ปรากฏตามตำนาน ปรากฏเพียงว่าเกิดในสากยะราชตกูลในกรุงกบิลพัฒน์มหานครมีนามกรอนว่าพระกุกุมารและพระกิมพิระเถระเจ้าก็เช่นเดียวกันเกิดในสากยะราชสกุลในกรุงกบิลพัฒน์มหานครเหมือนกันและก็มีนามกรอนว่ากิมพิระกุมาร ก็ไม่ปรากฏชื่อพระบิดาพระมารดาและวงศาคนาญาติอื่นก็ไม่ได้ปรากฏแต่ว่าเป็นศักยตกฎทั้งสองพระองค์นี้กุ ม, มารทั้งสองพระองค์นี้เมื่อจเจริญวัยขึ้นแล้วท่านอนุรุทธะสกยราชกุ ม, มาร น, นั้นได้ชักชวนให้ออกบทในพระพุทธศาสนา ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในประวัติของท่านพระพัร์คุในประวัติของท่านพระอนุรุทธะเถเรเจ้าท่านอนุรุทธะนั้นเมื่อผู้กับพี่ชายพระเชษฐาคือพระมหานามะว่าตนเองจะออกสรงพนวดให้พระเชษฐานั้นอยู่คลองครวาสต่อไปก็เวลาพระมารดามารดาก็แม่อนุญาต มารดาก็บอกว่าถ้าหากว่าไปชักชวนเอาท่านพระพระพัททิยราชาออกบทได้จึงจะยอมอนุญาตดังนั้นท่านพระอนุรุทธกุมารนี้จึงได้ไปชวนพระพัททิยราชาจนกระทําพระพัททิยราชายอมที่จะออกบทแล้วก็จึงได้ชวนเจ้าสักยะด้วยกันอีกห้าพระองค์ด้วยกันอีกสี่พระองค์ด้วยกันคือพระอนุนพระกิมพิระพระคุกิมพิละ พิยะแล้วก็เจ้าเจ้าชายแห่งโกลิยะอยีกองค์หนึ่งก็คือเทวทัตรวมกันแล้วก็ออกบทเป็นเจ็ดด้วยกันทั้งพระอุบาตอุทั้งอุบาลีนายูสามาราการออกจากพระนครไปเฝ้าพระพุทธองค์นั่นที่อนุปิยะอัมพวันหรืออนุปิยะนิคมแห่ง แฟนมนล ก, กษัตริย์และก็จึงได้ทูลขอบวชเมื่อได้บวชในพุทธศาสนาแล้วท่านพระภคุกิมพีละก็ตามท่านพระท่านพระภคุเถระก็ตามท่านพระกิมพีละเถระก็ตามเป็นผู้ไม่ประมาทปราลกความเพียรในมิชานัก ก็ได้สำเร็จพระอัรหัตผลเป็นพระอเศสขบุคคลและท่านก็นับเนื่องในภาษาวกผู้ใหญ่แ0รสิบลูกองค์หนึ่งเหมือนกันทั้งสองท่านนี้ก็ดำลงเบญจขันธ์อยู่โดยสมควรแก่อายุไขก็ดับขันธปรินิพานประวัติของท่านนั้นก็มีเพียงเท่านี้เองไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นก็จึงได้กราบวงกันไป ต่อไปก็เป็นอันดับที่45เป็นประวัติของพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งชื่อว่าโสพระโสนะโกลิวิสะเถระท่านพระโสนะโกลิวิสะเถระผู้นี้ชาติภูมิเดิมของท่านนั้นชาติภูมิเดิมของท่านนั้นก็คือเป็นบุตรของสุภาษิีเป็นบุตรของสุภรษฐีในจำปานคร จำปานครน no ี้เป็นเมืองหลวงของแว่นแควนอังคะแต่แว่นแคว้นอังคะนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของแว่นแคว้นมคตอังคะมคธมคตแห่งแว่นแคว้นมคตเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในความปกครองของแคว่นมคตเมืองจำปานี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นเมืองเป็นเมืองหลวงของแคว้นอังคะนั้นก็ตกอยู่ในความปกครองของกษัตริย์แห่งชาวมคต ซึ่งมีพระเจ้าพิมีสารเป็นพระราชาแห่งมคุฏรา์ได้ครอบครองทั้งสองแฟนดดวยกันเมื่อในขณะเมื่อในขณะที่ท่านนั้นกำลังอยู่ในครรภ์ของมารดาจนตราครอดนั้นปรากฏว่าพวกชนชาวพระนครนำเครื่องบรรดาการมาให้แก่เศรษฐีเป็นอันมากเศรษฐีผู้เป็นพ่อเป็นอันมาก แล้วเมื่อท่านคลอดออกมาแล้วปรากฏว่าสีผิวกายนี้พุดธพองงดงามมากบิดามารดาก็จึงได้ขนานนามใ ห, ให้ชื่อว่าโสนะโสนะนี่เปรตทองคำํำคือมีผิวพนัพนพันพุดธพองดังกระทองทาเชนั้นะก็จึงให้ชื่อว่าโสนะส่วนโกดิวิสะนั้นเป็นชื่อแห่งโคตร นะเป็นชื่อของโคดหรือนามสกุลส่วนบิดาของท่านนั้นชื่อว่าสุภาษถีมารดานั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีนามว่าเฉลโสณะเศรษฐีบุตรนั้นเป็นคนสุขุมบราชาตมากคือเป็นคนที่เกิดมาละเอียดอ่อนมากมีโลมาคือขนที่ละเอียดอ่อนบังเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าทั้งสอง ฝ่าเท้าทั้งสองด้านทั้งสองด้านนั้นก็ปรากฏว่ามีขนอ่อนๆ น, นี้เกิดขึ้นมาที่ฝ่าเท้าที่ใจกลางฝ่าเท้าโซนากุมาลผู้นี้โสนบุตรผู้นี้ก็มานพผู้นี้ได้รับการบำรุงบำเลน็จากบิดามารดาเป็นอย่างดีเพราะเหตุว่าในตระกูลของบิดานั้นบริบูรณ์ด้วยโวกทรัพย์สมบัติต่างๆเพราะเป็นตระกูลของเศรษฐี ต่อมานั้นกิตติศัพท์แห่งการที่โสนะมา น, นุภูนีมีขนอนละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นฝ่าเท้าทั้งสองนั้นได้ไปต้องพระกันของพระเจ้าพิมีสารผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งมโคตรรัตน์แล้วก็ได้ปกครองแคว้น อ, อังคาด้วยพระองค์ก็ใคร่ที่จะทอดพระเนตรลมาที่ฝ่าเท้าของโสนะ มานพูนั้นก็จึงรับสั่งให้เฝ้าให้เข้าเฝ้าพร้อมด้วยชาวบ้านประมาณแปดหมื่นคนเมื่อโสณมานพนี้ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมิสารที่กรุงรัชคลึกแล้วพระองค์ก็เดดทรงทอดพระเนตรเห็นขนอ่อนที่เกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าทั้งสองของโสนะ เมื่อพระเจ้าพิมิาสารทรงทอดพระเนตรแล้วก็จึงตรัสให้โสนมานพูนิยพร้อมด้วยชาวบ้านประมาณแปดหนึ่งมืนที่เข้าเฝ้านั้นไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาที่เขาพิจิกุตซึ่งในขณะนั้นพระองค์นั้นเสด็จประทับอยู่ที่เขาพิจิกุตในกรุงราชคึุนนั่นเองโสนเศรษฐีบุตรฮะโสณมานพ ร่วมด้วยชาวบ้านก็จึงได้ไปเฝ้าพระบรมศาสดาตามพระดำรัสเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปุปพีกถาและอริยสัจสี่ประการที่พระองค์ทรงต ร, ร, ร, ร, ร, รัสสอนชาวบ้านประมาณแปดหมื่นคนนั้นเมื่อฟังเทศจบความพระธรรมเทศนาจบก็เกิดความเลื่อมใส ได้แสดงตนเป็นอุบาสกถึงซึ่งพระรัตนตรัยทั้งสามเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ไดกลับไปแต่ส่วนโสนมานพ้นี้เมื่อหลังจากพวกชาวบ้านกลับไปหมดแล้วก็ได้เข้าไปกราบทูลแด่พระบรมาศาสดาว่างข้าพระพุเทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงแล้วเห็นว่า ผู้ครองเรือนนั้นจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงดุจสังที่เขาขัดแล้วไม่ทําได้ง่ายได้ด้วยง่ายเลยพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเพ่็จึงอยากจะบวชขอพระองค์นั้นจงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าได้บวชเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ทรงโปรดประธานการอุปสมบทให้ตามพระสงค์ โสนะโกริวิสสะผู้นี้ที่เรียกว่าโสนะโกริวิสสะนี้ก็อ่าชื่อคําว่าโสนนี่คงจะมีหลายท่านเดียกันก็จึงได้เอานามสกุลหรือว่าโคดคำมาบวกด้วยก็จึงได้ชื่อว่าโสนะโกริวิสสะขั้นเมื่อบวชแล้วก็ได้ไปทํําเอไได้ไปทาความเพียรที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นอยู่ที่สีตะวัน ศีตะวันนี้ก็อยู่ในกรุงราชดุนันเองเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ศีตะวันนี้ทำความเพียรจนเกินขนาดไปเดินจงกรมไม่หยุดจนกระทั่งเท้าทั้งสองนี้แตกก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยก็จึงมาดำริในใจว่าในบรรดาภาษาวก ของพระบรมศาสดาทั้งหลายที่ว่าปลารลกความเพียร น, นั่นนะเราก็เป็นคนหนึ่งนะคือหมายความว่าในบรรดาที่ปลาโลกความเพียรหรือว่าเป็นคนขยันมันเพียรไม่ประมาทนั้น <c oughs> เราก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าองค์อื่นเลยที่ว่าเราเป็นคนหนึ่งนั่นก็คือว่ามีความเพียรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระสาวะองค์อื่นแต่ถึงอย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะมีจิตนั้นหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ เรานั้นคงจะเป็นอภพะบุคคลคือบุคคลที่ว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรจะได้บรรลุคุณธรรมพิเศษได้ในชาตินี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อตอนเองคิดอย่างนี้เสร็จแล้วก็คิดว่าสมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่ถ้าอะไรเราจะศึกออกไปเป็นคารวะชายจ่ายสมบัติ ของเรานั้นบำเพ็ญกุศลก็จะเป็นการดีกว่าเพราะเมื่อเราได้ใช้สมบัติของเหานั้นบำเพ็ญกุศลผลบุญแล้วก็สามารถที่จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ <c oughs> เมื่อ double เช่นนี้แล้วก็คิดอยากที่จะลาเพศคือจะสึกออกมาน <c oughs> ะพระบรมศาสดาได้ทรงทราบข่า เช่นนั้นก็จึงได้เสด็จไปเ <c oughs> ด็เสด็จไปนะัสีตะวันอันเป็นที่ที่โสนโกริวิสะนั้นบำเพ็ญความเพียรอยู่ก็จึงได้ตรัสสอนให้โสนโกริวิสระนั้นให้ปรารกความเพียรแต่พอปานกลางคือไม่หย่อนเกินไปและก็ไม่ตึงเกินไป ซึ่งตามหลักของพุทธศาสนาของเรานี้ดําเนินทางสายกลางคือไม่ให้หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปและพระองค์ก็ทรงยกเปรียบเทียบกับด้วยพินสามสายซึ่งก็ได้เคยกล่าวบรรยายมาแล้วเรื่องพินสามสายนิหลายครั้งแล้วทรงเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับพินสามสายแล้วก็ตรัสสอนให้บําเพ็ญความเพียรแต่พอดีพอเป็นปลางกลางไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป ท่านพระองค์นี้เสด็จได้ตรัสสอนเนีแล้วก็สเสด็จกลับที่ประทับโสนะโกลิวิสก์ตั้งอยู่ในโอวาทที่พระบรมศาสดาทรงตรัสสอน <c oughs> ปาลาลบความเพียรแต่พอประมาณไม่ยิ่งไม่หย่อนทนเกินไปจะเลยมิปัสนาไม่ช้านักก็ได้บรรลุพระอรหัตพผลเป็นพระรานนี่จะเห็นได้ว่า การที่จะบรรลุความเพียรหรือว่าได้บรรลุคุณธรรมพิเศษได้นั้นไม่ใช่หมายความว่าจะขยันจนเกินไปคือทำความเพียรตึงเกินไปถ้าตึงเกินไปนี่อาจจะไม่ใช่เป็นการที่ว่าเป็นทางที่จะให้เสียผลได้เหมือนกับสายฟินที่ขึงตึงไปนั้นอาจจะขาดได้แต่ยอนเกินไปก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุได้เพราะนั้นต้องพอดีพอดี ในที่นี้ท่านก็ได้อธิบายไว้ในธรรมนองว่าท่านพระโสณโกริวิสาภุณีปรับอินทรีย์ทั้งห้านั้นไม่สม่ำเสมอกันนะอินทรีย์ห้าไม่สม่ำเสมอ ก, การที่จะบาเพ็นความเพียรให้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือว่าคุณธรรมพิเศษนั้นต้องปรับอินทรีย์ห้านี้ให้สม่ำเสมอกันไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันอินทรีย์ห้านั้นมีอะไรบ้าง อินทรีห้าในประการหนึ่งก็คือสัพพินทรีก็คืออินทรีย์ก็ได้แก่ศรัทธาสองวิริยอินทรียอินทรีย์ก็ได้แก่วิริยะคือความเพียรสามสติอินทรีอินทรีย์ก็ได้แก่สติความระลึกอยู่เสมอหรือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอสก็ได้แก่สมาทรีอินทรีคือสมาธิ คือการตั้งใจไว้มั่นและก็ห้าได้แก่ปัญญีสี่ปัญญนสี์นี้ก็ได้แก่อินสีคือปัญญาอินสีทั้งห้านี้ผู้บวททำความเพียร น, นั้นจะต้องปรับให้เสมอๆกันเช่นมีศรัทธานั้นคือถ้าหากปรับไม่เสมอกั น, น, น, น, กนแล้วมันก็เสียผลประโยชน์ เช่นศรัทธานั้นบุคคลใดมีศรัทธาแหล่งกล้ามีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยบุคคลนั้นมักจะหลงงมงายคือเชื่อง่ายโดนเขาหลอกลวงง่ายดังที่เราจะได้เห็นกันว่าบัดนี้พวกมีฉาชีพนั้นยังหากินอยู่ด้วยเสมอประเภทที่เรียกว่าตกทองที่เขาเรียกว่าตกทองโดยทําเป็นเก็บทองได้แล้วมาขอแบ่งด้วยกัน แต่ว่าด้วยอาศัยความโลภนั้นความโลภมันเกิดขึ้นแล้วความโลภเกิดขึ้นแล้วมันบังตัวปัญญาความจริงก็น่าจะคิดได้มีใครเขาบ้างที่จะเรียกว่าเอาทองสิ บ, บาททั้งมาแลกเอาแค่สองสลึงนึกว่าบาทเดียวโดยให้เราทั้งสิ บ, บาทมีใครไปมีใครทําได้อย่างนี้บงังมันน่าจะน่าจะมีปัญญาเนี่ยคิดไตรตรองให้ดูให้ถูกต้องแต่ว่าในขณะนั้นนั้นด้วยอํานาจของความโลภอยากจะได้ของจากเกินไป ก็เลยาบอกบังปัญญาเสียนึกว่าตนเองนั้นได้มากเขาเป็นผู้เสียสละให้ในน้อยพอจริงจังแล้วทองสิบบาทนั้นเมื่อไปให้ในที่ร้านขายทองดูปรากรดมาเป็นทองเกไปต้องมาเสียใจภายหลังอันนี้ก็เพราะเหตุที่บอกปัญญาน้อยแต่ศรัทธามากศรัทธามากเกินไปะเพราะฉะนั้นศรัทธากับปัญญาต้องของคู่กันแต่ถ้าบุคคลใดมีปัญญาเฉียบแหลมมากเกินไปแต่ศรัทธาน้อย คือเป็นผู้ที่มีสถาไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อการกระทําเหล่านี้เป็นต้นปัญญาเฉียบแหลมไปปัญญามากศรัทธาน้อยอันนี้ก็มักจะไปในทางที่เฉโกคือเป็นผู้ที่ฉลาดแกมโกงมักจะใช้ปัญญาของตัวเองไปในทางที่ทุจริตต่างๆเพราะเหตุว่าตนเองไม่มีศรัทธาคือไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีไม่เชื่อทำชั่รชั่ว เพราะฉะนั้นก็ใช้ปัญญาของตัวเองพลิกแพลงไปนในทางทุจริตผิดกฎหมายเป็นในทํานองมิจฉาชีพไปนี่เพราะฉะนั้นปัญญากับศรัทธานี้ต้องเป็นของคู่กันคือต้องพอๆกันมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยคือมีความเชื่อเชื่อแล้วก็เชื่อประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อไปด้วยประกอ บ, ปกอบไปด้วยปัญญานี้จะไม่หลงมงมงาย จะเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อยังมีเหตุผลไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรำนะเชื่อผลของกรรมเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วนี่ประการที่นี่เรียกว่าปรับอินทียให้เสมอกันอินทรีย์ที่สองวิริยะวิริยะคือความเพียร น, นี้เป็นของคู่กันกับสมาธนะิวิริยะคือความเพียร น, นี้เป็นของคู่กันสมาธิ คนใดก็าตามมีวิริยะมากเพียรมากแต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่มีทางสำเร็จเพราะเหตุที่ใจฟุ้งซ่านเช่นพระสนะโกริวิสาผูน้นี้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจึงได้พูดว่าอาจจะมีได้บางคนที่มาเข้า ม, มาเจริญกรรมฐานหรือมานั่งวิปรสนานเนี้เกิดเรียกว่าสติฟั่นเฟือนไปก็เพราะอะไรเพราะตนเองเนี่ยมีวิริยะมากเกินไป ต้องการจะทําให้ได้บางครั้งเนี่ยไม่หลับไม่นอนคืนหนึ่งนี่นอนไม่ขี่ไม่ขี่ชั่วโมงแต่ว่าจิตใจของตัวเองนั้นมันฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถึงจะทําความเพียรอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะให้บรรลุได้บางทีบางครั้งก็เรียกว่าเสียสติไปเลยนี่เพราะเหตุที่ว่าไม่กําจัดใจใจให้มีสมาธิวิริยะมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่ทําให้สติฟันเฟือนไปได้ เพาเหตุที่ว่าจิตใจฟุง้งซ่านแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามมีสมาธิจัดเกินไปแต่วิริยะน้อยบุคคลนี้ถ้าหากว่านั่งกรรมฐ า, านหรือว่าบำเพ็ญวิปัสสนาก็หลับไปเลยคือสมาธิจิตเป็นสมาธิมาแต่ความเพียรน้อยเป็นคนที่เกลียดครั้งเพราะฉะนั้นก็หลับไปเลยจะเห็นได้เช่นพระโมคคัลลานะที่ไปนั่ ง, งโงกงูในการบําเพ็ญเพียรอยู่นี้สมาธิจัด แต่ว่าวิริยะน้อยนี่เพราะฉะนั้นทั้งสมาธิทั้งวิริยะนี้ต้องสม่าเสมอกันแล้วก็การบําเพ็ญสมณธรรมนั้นจะไปได้ดีท่านพระสณะโกริวิสักก็ตกอยู่ในข้อนี้คือข้อที่เรียกว่าวิริยะเกินไปแต่สมาธิน้อยดังนั้นองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงมาสั่งอจึงมาได้อบรมสั่งสอนว่าไม่ให้ บาเพ็ญเพียนนั้นยิ่งเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปเอาแต่พอปานกลางเรียกว่าใชาคา้ความเพียรพอความเพียรนั้นพอปานกลางและก็ใช้สมาธิพอปานกลางก็ไปได้กันได้แต่อินทรีย์อีกข้อหนึ่งก็คือสติสำหรับสตินี้ท่านกล่าวว่าแทรกอยู่ ในอินทรีย์ทั้งคู่คือบุคคลใดมีศรัทธาประกอบไปด้วยปัญญาก็ต้องมีสติกำกับบุคคลใดจะกระทำความเพียรทำจิตให้เป็นสมาธิพอผ่านกลางด้วยกันก็ต้องมีสติกำกับสตินี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่ท่าเปรียบว่าสตินี่เปรียบเหมือนกับหางเสือเหลือการที่เรือจะแล่นเร็วแ ล, ล่นช้านั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ว่าไปได้ตรงไหมเรือแล่นเร็วไปแต่ว่าถ้าหากไม่มีทั้งเสือก็ไม่สามารถที่จะไปถึงที่ต้องการได้เพราะจะต้องไปชนเอาตลิ่งหรือว่าชนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซะก่อนโดยที่ปราศจากทั้งเสือหรือแม้แล่นช้าก็เหมือนกันก็สามารถจะไม่ไปไม่สามารถที่จะไปให้ตรงทางให้ถึงที่จุดที่ประสงค์ได้เพราะหากว่าขาดทั้งเสือชั้นใดก็ดีการประพฤติรมก็ขาดสติไม่ได้ การจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ถูกต้องนั้นขาดสติไม่ได้เพราะฉะนั้นสตินี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะ่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากก่อนจะทําก็ต้องมีสติรู้สตัวเสมอว่าเราจะทําอะไรแล้วก็ใช้สติในตรายตรองต่อไปว่าสิ่งที่เราทํานี้ที่เราจะทํำไปนี้เป็นคุณเป็นโยต์หรือว่าเป็นโทษ และในขณะทํานั้นเราก็รู้ตัวอยู่เสมอนี่ว่าเรากำลังทําสิ่งนั้นสิ่งที่เราทํานี้เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษนี่เรียกว่า ต, าต้องใช้สติเสมอถ้าคนเราเผลอสติมาเลยก็เรียกว่าต้องย่อมย่าทาอะไรอัน ง, ง, งานอันนั้นไม่สําเร็จหรือว่าผิดพลาดไปได้เรียกว่าทําไปด้วยความเผลอสติหรือขาดสติแม้แต่คนที่มีปัญญานั้นถ้าลงขาดสติแล้ว ก็ยังไม่สามารถที่จะไตรตรองพิจารณาธรรมะข้อนั้นได้ถึงถูกต้องได้เพราะฉะนั้นสตินี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสัพพสติสัพพะปัตติยาสตินี้จําปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อขาดสติไม่ได้ถ้าขาดสติแล้วการงานสิ่งนั้นไม่สำเร็จนี่เหมือนกันนี่เรียกว่าอินรี่ห้าต้องปรับให้สม่าเสมอกันจึงจะสามารถ บำเพ็ญสมณธรรมนั้นได้ถึงที่สุดโดยตลอดโดยปลอดภัยท่านพระโสณโกริวิสานีตั้งอยู่ในพระโอวาทขององค์ุด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเลยมีปัสฉนาไม่ช้าไม่านานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอเยะเสเป็นพระเสขบุคคลอเสขเป็นพระอเสขบุคคลในพระพุทธศาสนาขันการขั้นต่อมา เมื่อท่านได้สำเร็จอรหัตผลแล้วก็ได้เข้าเฝ้าองค์สุเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญภิกษุผู้เป็นพระอระหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่จำจะต้องทํานั้นได้ทำสำเร็จแล้วมีภาวะ คือของหนักอันวางลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนได้ถึงแล้วมีธรรมที่ประกอบไว้ในพบสิ้นรอบสิ้นไปรอบแล้วเป็นผู้ที่รู้ชอบจึงพ้นแล้วจากอาสวะภิกษุผู้เป็นพระหันนั้นย่อมน้อมเข้าไปแล้วในคุณธรรมหกสถานคือหนึ่งน้อมไปแล้วในการบรรพชา สองในที่สงัดสามในความสำรวมไม่เบียดเบียนสี่ในความสิ้นแห่งความถือมั่นห้าในความสิ้นแห่งความอยากหกในความไม่หลงดังนี้เป็นต้นพระบรมศาสดาได้ทรงฟังแล้วก็ทรงสร้างว่าการที่ท่านพระสนกโกริวิสระ ได้มากราบทูลเช่นนั้นก็เป็นทำนองที่ว่าเป็นเชิงบอกให้รู้ว่าบัดนี้ตนเองนั้นได้สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอราหันต์เป็นอริยะบุคคลอาเสขาบุคคลในพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าท่านพระโสนโกริวิสามนั้นไม่ได้ยกไม่ได้ยกตนหรือไม่ได้เอ่ยตนขึ้นอ้างเป็นแต่เพียงว่าใช้คำกลางๆว่าลักษณะของพระอราหารันต หรือผู้ดีสาเร็จพระหรหัสนั้นมีคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วดังนั้นองค์ผูเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็จึงได้ทรงสนเสริญท่านพระโสณโกริวิสาวะพยากรณ์พระหรหักล่าวแต่เนื้อความโดยที่ไม่นําตนเข้าไปเปรียบเทียบโดยที่ไม่นาตนเข้าไปเปรียบ <c oughs> และท่านพระโสณโกริวิสานี เพราะเหตุที่ท่านได้ปรารบความเพียรด้วยความอุตสาหะอย่างแรงกล้าแต่ครั้งที่ยังไม่ได้บรรลุพระอารหันต์พระบรมศาสดาก็จึงได้ยกย่องอนะยกย่องว่าท่านเป็นผู้เล่ ก, กว่าพิสูจนทั้งหลายผู้ปารบความเพียรในพระพุทธศาสนาความจริงแล้วพิกษุที่บวชมาในพุทธศาสนาทุกองค์ก็ปรารบความเพียรทั้งนั้นแต่ว่า ที่ปรารบความเพียนนั้นก็เป็นพอแผกงกลางแต่พระโสณโกริวิสานี้ก่อนที่จะบรรลุนั้นก่อนที่จะเดินฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ให้ปราลบความเพียนพอประมาณนั้นท่านได้ปรารบความเพี้ยนอย่างแรงกล้าเกินไปเดินจงกองจงเท้าแต่ทั้งๆั้ ง, ท, งที่ตัวเองนั้นนะก่อนที่จะบวชนั้นก็เป็นอ่าสุคุมารชาติคือเป็นคนที่ละเอียดอ่อนขนาดมี อโลมาคือขนเนี่ยขึ้นที่ระหว่างเท้าทั้งสองแต่ว่าเมื่อบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ทําความเพียรจนกระสับที่วันเดินจนเท้าแตกจึงรู้สึกอจึงเรียกว่ามีความเพียรยิ่งไปกว่าพิกษุอื่นในพุทธศาสนาดังนั้นองค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายด้านปราลบความเพียรท่านพระโสณโกลิวิสนั้นก็ได้เป็นกําลังอย่างสําคัญ ของพระพุทธศาสนาในการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนตามกำลังสามารถของตนเช่นเดียวกันท่านก็ดำลงเบนจะขันอยู่มาตามสมควรแก่กาลเวลาก็ดับขันทันิยพานประวัติของท่านพระโสณโกรวิสักก็มีเพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ถึงการบรรยายประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่สี่สิบหกก็ได้แก่ประวัติของท่านพระพรัฐบาลเถระท่านพระรัฐบาลเถระผู้นี้อ่าประวัติเดิมของท่าน ก็เป็นบุตรของรัฐบาลเศรษฐีคือบิดามันคือบิดาของท่านนั้นชื่อว่ารัฐบาลเศรษฐีรัฐปาลเศรษฐีผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ชนชาวทุลกโตริตะนิคมแห่งแว่นแควงกุรุแห่งแว่นแคว่งกุรุท่านเองนั้นเป็นบุตรของรัฐบาลเศรษฐีแล้ว เมื่อได้ถือกำเนิดในตระกูลเศรษฐีนี้ประชาชนทั้งหลายเขาก็เรียกกันว่ารัฐปาละกุมารหรือว่าหรือว่ารัฐปาละมานพสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดานั้นสเสด็จจาริกไปในแว่นแคว้งกุรุพ <c oughs> ร้อมด้วยพิสูจ์สงมู่ใหญ่จนกระทั่งถึงบรรลุถึงกฎิฏุละกฎิตะนิโค พราหมณ์และขหบดีแห่งชาวทุลละโกติตานิคมนี้ก็ได้ทราบว่าพระบรมศ า, ศ า, ศาสดาเสด็จมาก็จึงพากันมาเฝ้าประชาชนหรือพราหมณ์และขหบดีชาวทุลิกนิคมนั้นที่มาเฝ้านั้นบางพวกก็ถวายมงคลเมื่อมาเฝ้าพุทธองค์แล้วบางพวกก็เป็นแต่ผู้จาปราสายัยไม่ได้ถวายมงคลหรือไม่ได้ยกมือไหว้ บางพวกก็เป็นแต่พนมือแต่ไม่ได้พูดใต่จ่าอะไรบางพวกก็ร้องประกาศชื่อและโคดของตนเองแต่บางพวกก็นิ่งอยู่เฉยๆคือถวายบังคมก็ไม่ถวายพูดจ่าปราศัยทักทายก็ไม่ได้พูดพนมมือก็ไม่ได้ปนมแล้วก็จะบอกชื่อเสียงของตัวเองก็ไม่ได้บอกเรียกว่านิ่งอยู่เฉย เมื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าเหล่านั้นพากันนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ประชาชนที่นั่นณที่สถานที่นั้นได้เกิดความเชื่อความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเ <c oughs> มื่อจบพระธรรมเทศนาและประชาชนทั้งหลายก็ทูลลากลัดไป ส่วนรัฐปาละปามานพเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดความเรื่มใสยอยากจะบวชพอพวกชาวนิคมเหล่านั้นกลับไปแล้วก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลขอบันปชาอุปสมบท <c oughs> พระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าการที่จ ะ, ะจึงได้ตรัสว่าการที่จะอุปสมบทบวชในพุทธศาสนานั้นจะต้อง ให้มารดาบิดายินยอมซะก่อนแล้วเธอนั่นน่ะมารดาบิดายินยอมแล้วหรื อ, อยังรัตปาระปูนี้ก็จึงได้กราบทูลว่าอย่างดังนั้นก็จึงได้ทูลลากลับไปยังบ้านของตนเองเข้าไปแจ้งความให้มารดาและบิดาฟังแล้วก็กล่าวขอลาอ่ขออนุญาตมารดาบิดดานั้นที่จะบวชในพระพุทธศาสนา แต่บิดามารดานั้นไม่ยอมอนุญาตให้นะไม่ยอมอนุญาตให้รัฐบาลอารัฐปาลรมานบนี้จะพูดอ on ้อนวอนอย่างใดก็ตามเป็นหลายครั้งหลายครา ม, มารดาบิดาก็ไม่ยอมให้เพราะเหตุที่ว่าบิดามารดานั้นต้องการจะได้บุตรไว้เนี่ยบุตรนี้ไว้สืบ ส, ส, สกุลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลของตัวเองเป็นสกุลเศรษฐีด้วย เมื่อบิดาร่วงรับไปแล้วบุตรนี้ก็จะได้สืบสกุลต่อของบิดาตนเองเป็นเศรษฐีต่อเพราะเหตุว่าทรัพสมบัติก็มีมากดังนั้นลูกชายนี้จึงเป็นที่หวงแหนนักของชาวอินเดียหรือว่าชาวชมพูทวีปเพราะต้องการที่จะได้ไว้สืบสกุลนั่นเองดังนั้นบรรดาบิดาก็จึงไม่อนุญาตคือไม่ยอมให้รัฐปาระ มานพูนี้ออกบวชรัตตาธรรมานพนี้เมื่อมารดาบิดาไมิอญาย่ไม่ยอมอนุญาตให้บวชแล้วก็เกิดความเสียใจก็เลยประท้วงขึ้นทันทีโดยที่ลงนอนซชไม่ยอมลุกแล้วก็พยายามอดอาหารไม่กินโดยคิดว่าถ้าหากว่าบิดามารดาไม่ยอมอนุญาตให้บวชแล้วจะยอมตายเสียโดยที่จะยอมอดอาหารตาย ในที่นี้จะไม่ยอมลุกขึ้นไปไหนและจะไม่ยอมลุกขึ้นกินอาหารการทำการประทวงบิดามันด า, นาดถึงขนาดนี้บิดามัรดานั้นก็พยายามปลอบโยนต่างๆน า, นานาให้ลุกขึ้นกินอาหารปัฐบาลก็นิ่งเฉยไม่พูดไม่จาหมดแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นกินอาหารแม้บิดามันดาจะปลอบโยนทลายจะอ้อนวอนทลายทลาก็นิ่งเฉยรัฐปาลมานพนี้ไม่ยอมด้วย มันดาก็มัรดาวิดาก็คิดว่าควรจะไปหาเพื่อนหรือสหายของรัตปารามานบนี่มาช่วยกันห้ามปรามไม่ให้ออกบวชบางครั้ง <c oughs> คนเราก็แปลกไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่แต่ว่าไปเชื่อเพื่อนก็มีหรือพ่อแม่อ่อนวอนแล้วไม่ค่อยจะฟังอาจจะฟังคำของเพื่อนก็มีดังนั้นก็จึงได้ไปหาเพื่อนของรัตปาระซึ่งเป็นเพื่อนรักเพื่อนชอบพอกัน ให้มาช่วยว่าพรามห้ามปลามแม่เพื่อนหรือว่าสหายเหล่านั้นก็ไปช่วยกันห้ามปลามแนะนำในการที่มาให้ออกบวชอย่างไรอย่างไรก็ตามรัฐพานรัฐปานละมานพนี้ก็ไม่ยอมเพื่อนๆก็าจึงคิดว่ารัตปานลมานพูนี้เป็นผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวแน่ถ้าหากว่าไม่ยอมให้บวชแล้วคงจะต้องตายอย่างแน่นอนคือยอบอดอาหารตาย แต่การที่รัฐปาละมานพนี่ตายไปแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรไม่ใช่เป็นคุณไม่ใช่เป็นคุณความดีเลยถ้าหากว่าเรายอมให้รัฐปาละออกบวชแล้วเรายังพอที่จะได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างถึงแม้จะเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาก็พอจะเห็นหน้ากันบ้างแต่ถ้าไม่ยอมให้ออกบวชแล้วเขาจะตายไปเราไม่มีทางที่จะได้พบเขาอีกหรืออีกประการหนึ่งเมื่อบวชแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา ก็จะสึกล้มออกมาเองดังนั้นเมื่อคิจ น, นี้แล้วก็จึงได้เข้าไปหามารดาบิดาแล้วก็อธิบายให้ฟังบิดามันดาก็จึงเห็นด้วยหเห็นด้วยเห็นด้วยกับเพื่อนเพื <c oughs> ่อนเพื่อนของร <c oughs> ัฐบาลที่ได้มาแนะนำให้ <c oughs> ก็ดังนั้นดังนั้นก็จึงได้ยอมอนุญาตที่จะให้ลูกชายของตัวเองคือรัฐปาลมานบนีบุ รัฐปาระมานรัฐปารมโนบพอได้ฟังว่าบิดามารดาอนุญาตเช่นนี้ก็เลยดีใจลุกขึ้นดีใจลุกขึ้นว่ายอให้บวชแล้วแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็อยู่บริโภคอาหารพอให้ร่างกายมีกำลังเพราะว่าตัวเองอดอาหารไม่ยอมบริโภคอาหารอยู่หลายวันเหมือนกัน ก็อยู่บริโภคอาหารพอร่างกายมีกำมีกำลังนี้ไม่กี่วันแล้วก็จึงได้ลาบิดามารดาของตนเองนั้นไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลกราบทูลว่าบัดนี้มารดาบิดาของข้าพุเจ้านั้นอนุญาตแล้วขอพระองค์จงโปรดบวชข้าพุเจ้าเป็นพิสุในพุทธศาสนาเถิดพระองค์ก็โปรดประทาน ให้ตามความผสมรัฐปาระพิกษุเมื่อบวชแล้วไม่นานประมาณสักเกืเดือนได้พระบรมศาสดาก็จึงได้เสด็จจากทุลละโกทิตานิคมกลับมาประทับอย่างที่พระเชตวันมหาวิหารที่เมืองสาวัตถีรัฐปาระพิกษุคู่นี้ก็ตามเสด็จมาด้วยตามเสด็จมากับด้วยพระองค์มาอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารด้วย นัทปาราภิสุนี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมจเจริ ม, มีปัสนาก็จนได้สำเร็จพระอรหันตผลถึงที่สุดแห่งพรมอาจรรย์แล้วก็อยู่มาการยะการหนึ่งก็จึงได้ถวายบังคมลาพระพุทธองค์นั้นเพื่อที่จะกลับไปเยี่ยมดังบ้านเดิมของตนเอง ก็จึงได้ออกจากเมืองสาวัตถีแล้วก็เที่ยวจาริกไปจนกระทั่งถึงทุลกโกธิตนิโคมเมื่อไปถึงที่ทุลกโกตตัติตนิโคมแล้วก็พักอยู่ที่พระราชอุทยานของพระเจ้าโกรพยะซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งแควงกุลุนั้นพระราชอุทยานนั้นมีชื่อว่ามิฆะจิรวันมิฆะจิรวัน ในเวลาตอนเช้าท่านก็เข้าไปพิธบาตในนิคมนั้นก็ปรากฏว่าวันนั้นท่านบินธบาตไม่ได้เลยก็ไปจนกระทั่งถึงบ้านของตนเองคือบ้านของโยมพ่อโยมแม่ตนเองเห็นคนชายกำลังเอาข้าวบูดไปทิ้งท่านก็จึงได้กล่าวว่า ดูกระด้านน้องหญิงข้าวที่เธอจะทิ้งนั่นน่ะจงมาทิ้ ง, งในบาดของอัตมาเธอนางทาสีคือหญิงคนชายนั้นเห็นเขาแล้วก็จำได้วันนี้คืออ่าคือรัฐปาละมนกซึ่งไปบวชในพุทธศาสนาก็จึงได้เอาข้าวบูดนั่นแหละที่ตนเองจะทิ้งใส่เขาไปในบาดแล้วก็จึงได้ นำเนื้อความนี้ไปบอกให้แก่บิดามารดาคือรัฐพาละเศรษฐีและมารดาของรัฐารพาละภิกษุนั้นให้ทราบบิดานั้นก็จึงได้ออกไปนิมนต์ที่จะให้มาฉันในเลือนของตนเองท่านก็บอกว่าวันนี้อาตมาสำหรับวันนี้นั้นอาตมาได้อาหารพอแก่ร่างกายแล้ว คือได้ฉันเข้าบูดนั่นเองดังนั้นบิดาของตนเองเอรัฐบาลเศรษฐีนั่นก็จึงรินมนให้มาฉันในวันลุงขึ้นในวันลุ่ข น, น, นขึ้นนั่นแหละท่านพระรัฐบาลนั้นเถระนั้นก็จึงได้เข้ามาฉันที่บ้านเกิดของตนเองตามที่เศรษฐีผู้เป็นบิดานั้นได้อารัตนาไว้ เมื่อรัฐบาล น, นั้นมาฉันยังที่บ้านเรือนของตนเองนั้นผู้เป็นบิดานั้นก็จึงได้อ่อนบอนต่างๆนานาที่จะให้ศึกกลับมาครองคาวาะอีกต่อไปท่านก็ไม่มีอ่าก็ไม่สมประสงค์ทํายังไงยังไงท่านก็ไม่ไม่ยอมด้วยพระรัฐบาลเทละนั้นเมื่อฉันเสร็จแล้วก็จึงได้กล่าวอนุโมคคาถาอนุโมทนาพอให้เป็นทางให้เกิดสังเวชในร่างกายแล้วก็จึงได้กลับมาพักที่มิฆะจิละวัน ส่วนพระเจ้ากโกรพยะในวันหนึ่งก็ได้เสด็จประพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นพระธบานเทร ะ, ะเขาก็ทรงจำได้เพราะว่าทรงรู้จักกันมาแต่เดิมในเรื่องนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าตำแหน่งเศรษฐีนั้นเป็นตำแหน่งพระราชทานและเศรษฐีทั้งหลายนั้นจะต้องเข้าเฝ้าพระราชานันเป็นประจาทุกวันดังนั้นบางครั้งเศรษฐีนี้ก็นำอาบุตรไปด้วย หรือว่าเพษรีนี้ก็เป็นคนสาคัญคนหนึ่งสำหรับประเทศชาติดังนั้นเมื่อมีลูกหรือว่ามีตระกูลอย่างใดอย่างใดพระราชาก็ย่อมจะเป็นที่รู้จักอย่างดีดังนั้นท่านพระธบบาลเทละนี้ก็จึงได้เป็นที่รู้จักของพระเจ้าโกรพยะเพราะว่าทรงรู้จักมาแต่เดิมก็จำได้ดังนั้นพระเจ้าโกรพยะนี้ก็จึงได้เสด็จเข้าไปหายางใกล้ แล้วก็ตรัสประสัยถามพระรัฐบาลเทระว ะ, ะดูก่อนพระรัฐบาลผู้เจริญความเสื่อมมีอยู่สี่อย่างที่คนบางคนนั้นประสบเข้าแล้วจึงจะจึงออกบทความเสื่อมสี่อย่างนั่นก็คือหนึ่งแก่ชรา สองเจ็บป่วยไข้และสามสิ้นโภคทรัพย์สี่สิ้นญาติในข้อนี้ว่าพระเจ้าโกรพยยก็จรได้ถามแกพระโม่ถามรัฐบาลว่าธรรมดาคนจะบวชนั้นน ะ, นะคือเป็นประเพณีของชาวอินเดียเขาวอาคนที่จะบวชนั้นหมายถึงว่าแก่เฒ่าชรา แก่เท่าชลามากแล้วคือไม่สามารถที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองได้ก็เลยต้องบวชเพราะบวชนั้นอาศัยขอทานเขากินประการที่สองคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหมายถึงว่าป่วยกระเสาะ ก, กระแสะมีโรคประจําเป็นคนที่ไม่มีไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะกระทํางานหนักหรือกระทําการงานเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองได้ก็ต้องออกบวช ประพฤติตัวไปทก บ, บวตคือขอทานเขาเลี้ยงชีพประการที่สามคือคนที่สิ้นโพคสมบัติคือคนไม่มีทรัพย์หรือมีทรัพย์แล้วก็เรียกว่าทรัพย์ถึงวินาศหายนาไปหมดไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีวิตได้ไม่สามารถที่จะมีทรัพย์ที่เลี้ยงชีวิตได้แม้จะหาทรัพย์อย่างไรก็ไม่พอที่จะเลี้ยงชีวิตได้ก็ต้องบวต เพราะบวชนี้ก็อาศัยการขอทานเขาเลี้ยงชีพที่เราเรียกวินธบัตเองและประการที่สี่นั่นคือคนสิ้นญาติสิ้นญาติที่จะช่วยเหลือชิ้นญาติที่จะช่วยบำรุงรักษาเหล่านี้หรือว่าที่จะได้เป็นที่พึ่งอาศัยเป็นคนไม่มีญาติก็ต้องบวช เพราะฉะนั้นนักบวชของชาวอินเดียทั้งหลายนี่บวชเพื่ อ, อยังชีวิตตัวเองเป็นอยู่คือเลี้ยงชีพโดยการขอทานเรียกว่าบิธบาตนั่นเองเพราะฉะนั้นคนอินเดียแท้ๆนั้นหรือว่าคนชาวจมบูแท้ๆนั้นนั้นจึงได้ดูถูกคนที่เป็นนักบวชบางครั้งคนที่เป็นนักบวชนั้นไปขอทานหรือไปบิธบาตนี้ให้แบบเสียไม่ได้ให้แบบที่ว่ายโยนให้โดยไม่ให้มีความเคารพเพราะถือว่า คนพวกนี้นั้นบวชเพราะด้วยอำนาจสี่ประการดังที่กล่าวมาแล้วคือเป็นคลาวาสวิสัยนั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพตนเองได้จึงจำเป็นต้องบวชเพื่ออ่ารักษาไว้ซึ่งชีวิตของตัวเองดังนี้พระเจ้าโกรพยะก็จึงได้นำเอาเนื้อความสี่ประการนี้มาถามมาถามพระาาพรัฐบาลว่า ความเสื่อมสี่อย่างนี้บุคคลใดประสบเข้าจึงจะออกบทแต่นี่ความเสื่อมสี่อย่างนี้ไม่มีแก่ท่านะท่านเองก็ยังไม่แก่เท่าเจลายังเป็นคนหนุ่มอยู่ยังจะพอที่มีกําลังวังชานั้นเลี้ยงตนเองได้ประการที่สองท่านก็ไม่ใช่เป็นคนเจ็บไข้เดร์ป่วยเป็นโรคประจำเป็นโรคประจำตัวเป็นคนที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ประการที่สี่นั้นท่านก็ไม่ใช่เป็นคนสิ้นโพกซัพย์ท่านเป็นเกิดในตระกูลของเศรษฐีบิดามารดานั้นก็เป็นคนที่มีทซั์มากเป็นตระกูลที่มีซับมากและประการที่สี่นั้นก็ไม่ใช่เป็นคนลายญาติญาติพี่น้องก็มีเยอะท่านเห็นหรือท่านเห็นอย่างไรหรือท่านได้ฟังอย่างไรมาท่านถึงได้ออกบทเพราะความเสื่อมสี่ประการนี้ไม่ได้มีแก่ท่านเลย ท่านพระธบบาลเถระก็จึงได้กลาบถูกอันก็จึงได้ถวายวิสัญนาวา่ามหาบาพิตรมีธรรมมุทเทศอยู่สี่ข้อธรรมมุทเทศนี้ก็หมายความว่าธรรมะที่แสดงขึ้นเป็นหัวข้อหัวข้อในสี่ข้อที่พระบรมศ า, ศาสดานั้นซึ่งเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่เห็นเป็นพระอาหารหันตสรุเองโดยชอบทรงแสดงขึ้นไว้ ซึ่งอาตามภาพนี้ได้รู้ได้เห็นได้ฟังแล้วจึงออกบทธรรมมุทเทสีข้อนั้นคืออะไรธรรมมุทเทสีข้อนั้นก็คือข้อหนึ่งโลกคือหมูสัตว์อัญชลาเป็นผู้นําไปเข้าไปใกล้ไม่อย่างยืนอัญชลาเป็นผู้นําเข้าไปใกล้ไม่อย่างยืนข้อที่สอง โลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนข้อที่สามโลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนไม่มีอะไรเป็นของตนของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปข้อที่ห้าไอข้อที่สี่โลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแทงตันหา นี่ท่านพระัฐบาล น, นั้นได้ถวายวิศชนาแก่พระเจ้าโกรพยะว่าในข้อแอบว่าพระตนเองนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ที่ชื่อว่าธรรมมุทเทสีข้อได้บอกว่าข้อหนึ่งโลกคือหมูสัตว์อัญชลาเป็นผู้นำเข้าไปใกล้มาอย่างยิงคือหมายความว่าคนเราเกิดมาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ย แก่เข้าไปทุกวันทุกวันชลานาเข้าไปใกล้ไม่อย่างยืนคือหมายความชลาเน้นนำเขาไปสู่ไปใกล้ๆมรณะมรณะคือความตายเขาทุกวันทุกวันเหมือนกับเราทุกวันที่เกิดขึ้นมานี่เดินเข้าไปหาความตายไอ้ที่ว่าความชรานั้นก็หมายงัวความชลานี่คือความแก่เท่าชลานั้นนะ่ะครอบงาเราอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ว่า ครอบงำแล้วบางคนไม่รู้สึกตัวเพราะความ ช, าชาลาหรือความแก่นี้นะความชาลาหรือความแก่นี้นั้นมีอยู่สองประการด้วยกันประการหนึ่งท่านเรียกว่าปฏิชณชลาอีกประการหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าอัปฏิชนะชลา ชาลาในข้อที่หนึ่งเรียกว่าปฏิชนะชาลานั้นก็แปลว่าความแก่อย่างปิดบังที่เราเรียกกันว่าแก่ปิดคือแก่แล้วแก่แบบที่ว่าเจ้าตัวไม่รู้ตัวหรือคนอื่นก็ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวก็ได้แก่พวกที่เกิดมาเป็นเด็กกำลังเจริญวัยขึ้นอ่าขึ้นสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละแต่ความจริงแล้วความจริงนั้นก็เป็นแก่นั่นเอง ถ้าไม่แก่แล้วเราจะไม่เจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อะเพราะฉะนั้นมันมีในสังขารร่างกายของเราเนี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดแม้แต่การที่ว่าอันดับแรกที่เราเกิดขึ้นมาปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาถ้าหากว่าครรภ์ไม่แก่เด็กนั้นก็จะไม่โตขึ้นนี่เพราะเหตุที่ความแก่เนี่ยแก่จนครรภ์เนี่ยแก่ขึ้นแก่ขึ้นแล้วก็จึงได้ออกอ่าได้คลอดออกมา เมื่อคลอดออกมาแล้วถ้าหากว่ายังคงที่ก็คงจะเป็นเด็กแบมเบา อ, อยู่อย่างนั้นแต่นี่เพราะความชลาที่เปลี่ยนแปลงนั่นทําให้แก่ขึ้นเป็นเด็กแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนกระทั่งเป็นเด็กรุ่นหนุ่มสาวขึ้นแต่ว่าระยะแก่ตอนนี้เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าแก่แล้วก็ชอบด้วยคือต้องการจะเป็นหนุ่มเร็วๆแม้แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเห็นลูกหลานของตัวเองกําลังจเจริญเติบโตก็เกิดความพอใจว่าลูกหลานของตัวเองนี่กำลังจเจริญรุ่งเรือง เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แกอย่างนี้เรียกว่าแก่ปิดคือปิดบังสายตาคือตามังสะจากสุขคือตานเนื้อเส้อให้คนไม่เห็นอัปติชนะชลานั้นก็ได้แก่ความแกอย่างเปิดเผยคือไม่ปิดบงังก็หมายถึงว่าบุคคลผ่านความผ่านความเป็นคนกลางคนไปแล้วสู่ความเป็นวัยชลาแล้วตอนนี้ก็เปิดเผยแล้วความชลาผมที่เคยดาก็ขาว สายตาที่เคยยาวก็สั้นฟันที่เคยมั่นคงก็คลอนแคลงนี่เรียกว่าความชลาปรากฏแล้วใบหน้าที่เคยติงเต็งตังผิวเนื้อที่เคยเต็งตางก็เหี่ยวย่นเป็นตีนกาแล้วอันนี้เรียกว่าเปิดเผยให้รู้แล้วตัวเองก็รู้คนอื่นก็รู้ได้ว่านี่เริ่มแก่แล้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมีชลาเป็นผู้นําหน้านําไปสู่ความตาย ที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับคนกําลังที่วันเดินเข้าไปสู่ความตายด้วยกันทุกคนในข้อที่สองโลกโลกคือมูลสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนที่ไม่มีผู้ป้องกันนี้ทุกคนเกิดมานนะั้ไม่สามารถจะป้องกันได้ว่าไม่ให้เรานี่แก่ไม่ให้เรานี่ไม่ตายไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดป้องกันไดท้ทั้งทั้งที่เราทั้งหลายก็ยึดมั่นว่านี่ตัวของฉันนี่มือของฉันร่างกายของฉัน แต่เราเป็นใหญ่เฉพาะตนเราเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเราได้ว่าอย่าตายนะอย่าแก่นะเราไม่สามารถป้องกันได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเถ้าเป็นของของเราแล้วเราน่าจะป้องกันได้นอกจากว่าเป็นของคนอื่นเราถึงป้องกันไม่ได้แต่นี่เราถือว่าตัวของเราเราก็ไม่สามารถจะป้องกันได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าไม่มีอะไรป้องกันและก็ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนคือเราไม่ใช่เป็นใหญ่ในตัวเราเอง ถ้าเราเป็นใหญ่ในตัวเราเองเราก็สามารถบังคับตนเราเองได้ไม่ให้แก่ไม่ให้แตกไม่ให้ทำลายในข้อที่สามโลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนของตนจําต้องละของสิ่งนั้นไปที่เรายึดมั่นกันทั้งหนาว่าไอ้นี่ของข้าไอ้นี่ของแกหรือไอ้นี่ของกูอย่างนั้นแต่ว่าเรายึดมั่นไม่ได้นานจาจะต้องละทิ้งสิ่งนั้นไป สิ่งนั้นไม่ละทิ้งเราไปเราก็ต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเหมือนกับบุตรพัญญาของเราอันเป็นสุดทิลักของเราเรายึดมั่นว่า น, นี่คือบุตรพัน ญ, ญาของเราแต่ความจริงแล้วเราก็ต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเราไม่จากเขาเขาก็จากเราทุกคนมีสภาพเช่นนี้เพราะฉะนั้นก็จึงได้พระองค์จึงตรัสว่าโลกคือหมู่สัตว์นี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนเลย คือจะต้องละทิ้งทางนั้นเป็นของที่เขายืมเข้ามาใชาท้ทางนั้นในข้อที่สี่นั่นโลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแห่งตัณหาคือเรียกประเภทว่ามนุษย์เราทั้งหลายหรือว่าหมูสัตว์เราทั้งหลายนี้ประเภทที่เรียกว่าพอไม่มีเท่ามีไม่พอพอแก้ได้เมื่อมีไม่พอหามาให้ซะจนพอมันก็แก้ได้แต่บางคนพอไม่มี มีเท่านี้ก็อยากจะได้เท่านั้นมีน้อยอยากจะได้มากมีมากก็อยากจะได้มากเท่านั้นต่อไปอีกเรียกว่าตัณหาหรือความอยากที่จะมีนั้นไม่สิ้นสุดเนี่ยเรียกว่าประเภทที่เรียกว่ามีตัณหาคือความอยากอยู่เสมอโถมไม่เต็มโถมเทา่ทาไรเท่าไรไม่เต็มใส่เข้าไปเท่าไรหายหมดนี่ก็คืออำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นพระท่านพระรัฐบาลเทระก็จึงได้กล่าวว่า อาตมภาพนั้นได้ฟังธรรมุเทศสี่ข้อนี้ที่พระองค์ทรงสแสดงจึงได้ออกบทที่ออกบทนั้นออกบทเพราะว่าเลื่อมใสายลิเห็นจริงตามธรรมุเทศที่พระองค์ทรงสแสดงนี้สี่ประการด้วยกันนี่ออกบทเพราะเหตุนี้ไม่ใช่ออกบทเพราะเหตุที่ว่าความเสื่อมสี่ประการคือความแก่ชราความเจ็บป่วยความสิ้นโภกสมบัติและความสิ้หญาติแต่ออกบทเพราะเหตุ ธรรมุเทศสี่ประการนี้พระเจ้าโกรพยะได้ทราบถึงมูลเหตุที่พระเจ้าอาที่พระรัฐบาลเถระนั้นออกบวชและออกบวชโดยการที่ได้ฟังธรรมุเทศสี่ประการที่พระรัฐบาลเทระอธิบายนี้ก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ตรัสอนุโมทนาธรรมมีกถาก็จึงได้เสด็จ ก, กลับไป แล้วก็เสด็จกลับไปท่านพระฐิบาเลเถระนั้นเมื่อพำนักอาศัยอยู่ในโกฏิตะนิคมนั้นพอสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็กลับมาอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาอาศัยคุณธรรมที่ท่านเป็นผู้บวช ด, ด้วยศรัทธามาแต่เดิม และกว่าจะบวชได้นั้นก็แสนจะยากลําบากพระบรมศาสดานั้นก็จึงได้ทรงยกย่องว่าท่านเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายอื่นผู้บวชในสัทธาความจริงแล้วทุกคนที่บวชในพุทธศาสนานี้ก็บวชในสัทธาเดียวกันทั้งนั้นแต่ว่าพระัธบานนี้สัทธามากกว่าใครขนาดถึงกับว่าประท้วงเอาชีวิตเป็นเบิมเดิมพันถ้าหาพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชก็จะยอมตายเสีย นี่เรียกว่าศรัทธาจริงๆถ้าไม่ยอมบวช ก, ก็ขอตายเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ยกย่องว่าเลิศ ก, กว่าพิสุจ์ทั้งหลายนั้นในด้านบวช ด, ด้วยศรัทธาท่านพระรัตบาลและเถระนั้นก็เป็นองค์หนึ่งเป็นพระสาวกองหนึ่งซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญของพุทธศาสนาในการเผยแผ่พระธรรมคำสังสอนท่านก็อยู่ดารงเบญจขันธ์มาตามเวลาสมควร ก็ดับขันธปรินิพานแต่ประวัติไม่ได้กล่าวไว้ว่านิพานเมื่อไรเมื่ออายุเท่าไรและก็ที่ไหนเป็นแต่เพียงกล่าวโดยสรุปว่าอยู่มาโดยอายุไขอันสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพานก็ไปอันจบประวัติของท่านพระรัฐบาลเทระเพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร